นะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนัมมัสสามิมนีจักได้แสดงธรรมกถา สืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอว่าด้วยธรรมเป็นคู่ยมะกะววักวันนาหนึ่งความสำคัญของใจพระพุทธภาสิทธมโนปุพังคขมาธรร ม, มามโนเศษฐามโนมยามนัสสาเจปทุทุเถนะภาสิติวากโรติวา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 ใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกและสุขบุคคลที่เรายอมรับว่าเป็นคนดีนั้นเพราะเขาได้ทำดีและพูดดีทางนี้ย่อมมีการคิดดีเป็นบุญเหตุมาก่อนกล่าวอีกในยะหนึ่งเขาตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วดำเนินตามความตั้งใจนั้นใจของมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์มีอยู่เพราะเป็นสิ่งที่โชคชะตาของมนุษย์บุคคล จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเขาเป็นนี่มองตามทัศนะแห่งปรัชญาเมธีตัวอย่างพระสิท ธ, ธะที่ต่อมาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระไทยของพระองค์เป็นก่อนเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าบุคคลจะเป็นอย่างไรก็เพราะใจเขาเป็นไปอย่างนั้นก่อนความจริงข้อนี้เป็นที่ยอมรับแม้ในวิชาจิ ต, ตวิทยาปัจจุบัน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 ก็เพราะใจของท่านปราศจากกิเลสคนหน้าตาสวยงามแต่กลับเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายก็เพราะใจสกรปรกแล้วไปทำและพูดสกรปรกเข้าโดยในยะนี้จะเห็นว่าใจมีความสาคัญเพียงใดคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้ทุกวันและความสงบพันแท้จริงแห่งจิตนั้นมาจากการยอมรับสิ่ง อันร้ายแรงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราโปรดจาไว้ว่าถ้าใจร้ายความร้ายก็ตามมาถ้าใจดีความดีก็ตามมาเรื่องประกอบพระจักขุบาลท่านเล่าเรื่องประกอบพระพุทธภาษตนี้ไว้ว่าพระาศาสดาตรัสพระพุทธพจนิี้ที่วัดเชตวันวิหารเพราะปรารบเรื่องพระจักขุบาลมีเรื่องโดยย่อว่า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 ทงเทศนาอนุภูมิปกถา5คือ 1. นทานนกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สัขขกขกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความต่ำสามของกาม 5. เนคขมานิสังสักถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบ เทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรทิดาและทรัพสมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกคลาไปด้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วถูนขอบวชพระศาสดาตรัสถามว่า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 บวชทำไมพี่พี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคการรมอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาบาลทวนคําบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพระมาจรรันได้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อํานวยกําลังวังชาถดถอยสมณ ก, กิจเป็นภาระหนัก เหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสระราชสมบัติออกผนวดทั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฝังไม่คงยืนกรานจะออกบวชอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องให้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระศาสดา ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทวงเล็บน่าจะอุปสมบทจากสงฆ์โดยวิธียติจตุตกรรมมวาจาเมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพรรษาได้นิสัยมุตตะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทาจิตของบรรพชิตให้สิ้น จึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าธุระในศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มีสองคือคันธัุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธัุระอย่างไรเรียกวิปัสนาธุระดูก่อนภิกษุ การศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อๆไปเรียกว่าคันธุระส่วนวิปัสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในศาสนาของเรา ข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคัน ธ, ธุระอยู่ก็เป็นการชักษาจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดมีข้อหน้าสังเกต ต, ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังนมอยู่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 ชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงกระตนนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าข อ, อนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระัตนตรัยและรักษาศีลห้าหรือศีลแปตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทาความเพียรเพื่อออกจากภพได้ ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ระวนาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเทระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ว่า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 เปรตอสุรกายและกําเนิดสัตว์เดือฉานเปิดอยู่เสมอสาหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบําเพ็ญสมณธรรมก็ท่านเล่าจากอยู่ด้วยอิริยาบถเท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพระเจ้าจะอยู่ด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินและนั่งเวน้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทาตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไป โรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งประารณนาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดยาเมื่อท่านไปบินธบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าได้หยอดตาทางจมูกหรือไม่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 เมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองวงเล็บกัตชกายว่าเราจะเขียนแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเขียนแก่พระศ า, าสนาในที่สุดท่านก็เลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ะระลึกถึงมโนปนิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลาสามเดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทำลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตก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 ปฏิญาณอย่าละทิ้งกุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองหนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนเลยท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิยาบทสต่อไปไม่ยอมนอน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 ได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านไม่ให้ลำบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไป ต, ตามๆกันส่งข้าวต้มไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเถระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ร้องให้กึ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่าน รอบโยนและให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักขุบานแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรรคผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จ พระหัตะผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งสี่ในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระาศาสดาณนะวัดเชตวันจึงเรียนให้พระจักกุบานทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจะเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลาย หลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้ิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศาสดาด้วยเสียงกล้าวพร้อมด้วยฝากน้ำมศาการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจะส่งคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจะเดินทางไปสาวถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้เดินทางปลอดภัย ภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วไปลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีวันรุ่งขึ้นออกบินทบาทไปยังบ้านของจุลบาล น, น้องชายของพระเถระเขาเห็นภิกษุหมูนั้นแล้วจำได้จึงถามถึงพระพิชายทราบความแล้วเสียใจร้องให้ท่านบอกมาว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอก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 ฝึกกิริยาอยู่ประมาณสิบห้าวันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักกุบาลทราบพักอยู่ประมาณสิบห้าวันจึงชวนพระเถระกลับสาวัถีพระจักกุบาลส่งปลายไม้เท้าให้สามเณรจูงเข้าไป สู่หมู่บ้านก่อนเพื่อราสาวบ้านผู้มีอุปการะชาบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สําเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่งร้องให้คร่ำครวญกลับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักกบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทําอย่างนั้นเสมอนับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอนสามเดือนยังมีเรื่องต่อไปอีก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 เนนได้เสพเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จฐุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทําลายสินของตนเสียจแล้วเธอไปทําอะไรอยู่นานเหลือเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเสเถิดอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไป ไม่ควรนำทางชั้นฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม้เท้าชั้นฉันไม่ต้องการเดินตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลืองจีวร อ, ออกนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเครือหัสพลางกล่าวท่านลุงบัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นเครือหัสแล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุงเมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธา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 ฉันจะนอนกริ่งเกลือนตายอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนคลำครวนวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักุบานเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าเท้าสกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพพระเจ้าฉันดาวดึงเกิดร้อนใจ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 เหตุแห่งบุญศักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวัย ญ, ญาัจะมัยบุญอันได้จากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตว์รุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าส ก, ก่ย่นแผ่นดินให้สั้นเข้า เรื่องเท้าสกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จากทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็วข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นพุริทตะเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์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 เป็นผู้อันเทวดาอุปธรรมค้ำชูเท้าสกะผู้นำทางนั่นเองได้พาพระจักกุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเย็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกั้นความโศกได้ร้องให้กริ้งเกลือกรมพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรก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 มาถึงที่ของพระจักขุบาลบังเอิญฝนตกจึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชชิมยามพวกมแมลงข่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปชิมยามพระจักขุบาลเทระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอามแมลงค่อมทองตายไปมาก ตอนเช้าพวกสิทธิ์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุกะก็มาเยี่ยมเห็นมลงข้อมทองตายเป็นอันมากจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักกบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่บวนอนหลับเสียไม่ทาสมณะธรรมอันควรทำ พอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทำประโยชน์กับทำสิ่งอันไร้ประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้สงสาร พ, พระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักคูบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักคูบาลเหยียบสัตว์ฉันใดจักคูบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกัน ธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายถูนถามว่าพระจักขุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ฉะไหนจึงตาบอดพระาศาสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพาราณสีมีหมอยาคนหนึ่งเที่ยวรักษาคนไข้ยอยู่ในบ้านต่าง นิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดหมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมทั้งบุท ธ, ธิดาจะยอมเป็นทาสของหมอหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียว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 แต่ภรรยาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักกุบานพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราวงเล็บคือพระจักกุบานทําแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผล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 สองความสำคัญของใจพระพุทธภาษิตมนโนปุพังคมาธรร ม, มามนโเามนเสถามโนมยามณสาเจประสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตนังสุขะมโนเวติชายาวะอนุปายิณีแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใส การทําการพูดก็ปล่อยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขก็ติดตามมาเหมือนเงาตามตนอธิบายพระพุทธภาษิตนี้ข้อความเหมือนในข้อที่หนึ่งต่างแต่ข้อที่หนึ่งกล่าวถึงใจไม่ผ่องใสใจร้ายส่วนในข้อที่สองนี้กล่าวถึงใจดีใจผ่องใสเมื่อเป็นดังนั้นความสุขก็ตามมาเหมือนเงาตามตัว ความจริงความสุขนั้นเราไม่ต้องแสวงหาก็ได้หน้าที่ของเราเพียงแต่ลดความทุกข์ให้น้อยลงความสุขก็จะเพิ่มพูนขึ้นเหมือนความร้อนลดลงมากเท่าใดความเย็นก็มีมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธศาสนากล่าวโดยปริยายหนึ่งก็คือศิลปะในการลดความทุกข์ความทุกข์มีมูลเหตุมาจากความอยากความอยากทาใจให้เราร้อนเมื่อลดความอยากลงมากเท่าใด ใจก็เย็นมากขึ้นเท่านั้นความสุขก็เ อ, อ่อตามขึ้นมาความอยากและความไม่อยากอยู่ที่ใจเมื่อใดใจอยากเมื่อนั้นมีความดิ้นรนยิ่งดิ้นรนมากยิ่งแปดเปื้อนมากตรงกันข้ามความสงบมากเยือกเย็นมากก็ผ่องใสามากสุขก็มากในยะอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในข้อที่หนึ่งเรื่องประกอบเด็กหนุ่มชื่อมัทกุลดลี มัทกุลดลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหม์พ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่าอาทินะปุพภกตแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงให้ลูกชายหนึ่งคู่คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามัทกุลดลีแปลว่า มีต้มหูเกลียงต้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกลียงจะเสียค่าจ้างเมื่ออายุ16ปีมัตรกุลดลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคผอมเหลืองคือวันโรคนั่นเองมันดาบองดูบทแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพราหมผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูก เขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยาอะไรหมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพรามจึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัตตกุณดลีไม่ดีขึ้นมีแต่สุดจนไม่อาจเยียวยาได้พรามจึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอมาเห็นอาการของมัตตกุณดลีเขารู้ได้ทันทีว่า หรือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พรามไปหาหมอคนอื่นพรามรู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูปณิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นปณิสัยของมัทกุลดลีจึงเสด็จมาโปรด ขณะที่พระศ า, าสดาเสด็จมาถึงนั้นมัตตกลดลีกำลังนอนพินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศ า, าสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรสมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันหนาแล้วพินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันพานเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า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 พอลับตาเท่านั้นมัตตคุณดลีก็สิ้นชีพไปเกิดในวิมานทองเสมือนว่าหลับแล้วตื่นขึ้นฝ่ายพรามบิดาทำชาปนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องให้ไปยืนร้องให้ที่ป่าช้าทุกวันข้าคควรว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบระบุมัตตคุณดลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงทิพยสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตลอดว่า ได้มาเพราะทําจิตให้เลื่อมใสในพระศาษษษสดาได้มองเห็นพราหมณ์บิดายืนร้องให้อยู่ที่ป่าชาจึงจําแรงเพศคล้ายมัทกุลดลีมานพลงมายืนกอดแขนร้องให้อยู่ณนะอีกมุมหนึ่งของป่าชาเขามีความประสงค์จะเอาหนามาบง่งหนามในใจของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงคนร้องให้เลี้ยวไปเห็นมานกคล้ายมัทกุลดาลีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาและถามว่า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 แต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พราหม์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับว่าจะจัดการมาให้ท่านได้มานพคิดว่าดูดูพราหม์นี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อย บัตรนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อให้ไม่ว่าเป็นล้อทองหรือล้อเงินอ่าพราหมณ์คนนี้เป็นอันพานจริงๆแต่ช่างเถอะเราจะล้อแก่เล่นจึงกล่าวว่าพราหมณ์เออยิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหาหมีไไม่นอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อ รถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหม์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขาลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถของท่านได้มานอบตอบว่าพราหมณ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พอมองเห็นได้ส่วนท่านร้องให้ค้ามครวนต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นกลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูกตนเป็นผู้โง่เขากว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พราหมณ์ได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ำคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านนำน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหะไทยของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้ แล้แล้วพราหมณ์ได้ถามว่ามานุนั้นคือใครมานุปก็บอกว่าเขาคือมัทกุลดลีบุตรของพราหมณ์นั่นเองได้ทำกุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหมณ์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีลแต่ประการใดมานุปไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานุเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟัง พราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติปราโมทย์เป็นอันมากกล่าวว่าน่าอัศจริ์จริงๆน่าอัศจรร์จิงหนอหน้าประหลาดจริงหน อ, นาาหนอการทําอันฉลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพระเจ้าจักทาใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพราหมณ์ได้ปฏิญาณกลับมานพว่าจักรรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย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 มีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทำจิตให้เลื่อมสายในพระองค์อย่างเดียวพระาศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทำไมอีกเล่าในเมื่อมัทกุลดารีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์แกล้งสงสัยและถามพระาศาสดาก็ทรงเล่าเรื่อง การพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัตตคุณดลีเทพบุตรและพราหมณ์นั้นพระศ า, าสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้มัตตคุณดลีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัตตกุณดลีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการมหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพบุตรแล้ว อุทานออกมาด้วยปิติสมนัตและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายบุตรของพราหมณ์ชื่ออาทินะปุพกะไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติเห็นปานนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหน้าอัศจรรย์แท้พระาศาสดาจึงตรัสพระภาสิตที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสาคัญที่ใจถ้าใจดีใจผ่องใส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 ถ้าพระสิทธิในธรรมบทนี้เป็นหัวข้อธรรมที่กินใจจะไปพบที่ไหนอ่านที่ไหนก็ยังกินใจอยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่พวกเราชาวพุทธในเมืองไทยแม้แต่ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษนี้ได้ยินว่าจะมีความนิยมในธรรมบทมากจนพิมพ์ออกมา เป็นรูปเล่มภาษาอังกฤษหลายครั้งหลายคราเ่เพราะว่าเป็นข้อคิด้ภาสิทธ์สั้นๆทีนี้ทางพระอัริยะาจารย์เพื่อที่จะขยายความให้ได้ความหมายเข้าใจง่ายได้อัตตรสจึงได้นำเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นเรื่อง นิทานมาประกอบซึ่งท่านกอมักจะยกว่าที่พระองค์ตัดภาสิทธนี้ด้วยความปลารบถึงบุคคลผู้นั้นผู้นี้อย่างปรารบถึงท่านพระจักกุบาลอย่างเงี้ยปรารพถึงท่านมัตตกลุลนฤเป็นเหตุจึงได้ตัดพุทธภาสิทธินี้ซึ่งเมื่อนำเรื่องมาประกอบก็เห็นความชัดเจนมากขึ้น ว่าการทําความดีหรือความชั่วนั้นมีผลอย่างไรเนี่ยอันนี้จึงเป็นภาษิต ท, ที่มีความนิยมนยแม้แต่ของเราเองก็พิมพ์แล้วพิมพ์เล่าเนเพื่อต้องการอยากให้เราได้พบพานพุทธภาษิตหรือธรรมะหัวข้ออันนี้เป็นข้อเตือนใจเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ยนึกหาธรรมะข้อไหนไม่ได้เปิดดูธรรมบดสักหัวข้อหนึ่งเนี่ย ก็ยังได้ข้อคิดได้ข้อเตือนใจแล้วพระเถระทั้งหลายท่านก็ได้รวบรวมแยกแยะเป็นหมวดหมู่เนี่เป็นหมวดจิตหมวดทุกข์หมวดประมาทหมวดร้ายหมวดนี่ยแยกเป็นกลุ่มๆเพื่อสะดวกในการค้นหาเอามาคิดพิจารณาเพื่อเตือนตนเองเนี่เพราะว่าจิตใจนั้นบางครั้งบางคราวมันเกิดกิเลส ขอ้อ1หรือประเภท1เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดไม่พร้อมกันหรอกบางครั้งก็เกิดพอความโลภความโลภเกิดขึ้นมาบ่าความโลภเกิดขึ้นมาก็เราจะได้เปิดดูเนี่ยดูว่าความโลภเป็นอย่างไรหรือจะแก้ไขความโลภด้วยวิธีใดก็มีพุทธภาษิตในเรื่องทานในเรื่องทานก็มีก็จะได้คิดพิจารณาเอามารบล้างกันเพื่อบรรเทาความโลภเนี่ย หรือความโกรธเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนในพุทธภาสิตนี้เอามาขึ้นต้นในใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะสาเร็จได้ก็เพราะใจนี่ดังที่อาจารย์ประสิ์นอธิบายมันก็ด้วยใจจริงจริงนะถ้าใจมันคิดไม่ดีคิดผิดนี่ความไม่ดีมันก็ย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าใจมันคิดดีนี่คิดในทางกุศลมันก็มีแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้น ฉะนั้นสิ่งนี้จึงอาศัยมัคคือการดําเนินคือความดําริเนี่ยดำความดัมริลงไปสู่มัคให้เป็นความดําริชอบเนีเมื่อความดําริชอบเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความชอบขึ้นมานีนี่ความคิดในทางออกจากกามในทางไม่พยาบาทเนี่ในการที่ ไม่ประทุสาร้ายต่างๆเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามเลยเมื่อได้พุทธภาสิตเตือนใจถือว่าในธรรมบทนี้เป็นข้อเตือนใจแม้การปฏิบัติขั้นพื้นฐานหรือในการปฏิบัติเพื่อให้คุณธรรมสูงขึ้นก็ยังต้องอาศัยพุทธภาสิตซึ่งในนี้จะมีมาทั้งบาลีและอตาตถกถาถ้าเราไปเปิดในพระไตรปิฎกนี้เราก็จะเห็นแต่ส่วนที่เป็นพุทธภาษิต ซึ่งทหานสมัยนี้ก็จะเข้าใจยากเมื่อเข้าใจยากแล้วก็ทําให้เบื่อเบื่อต่อธรรมะคิดไม่ออกท่านผู้รู้ก็เลยเอามาขยายความเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปผู้มีปัญญาน้อยปัญญาปานกลางหรือปัญญามากก็จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามภูมิปัญญาของตนผู้มีปัญญามาก แค่อ่านพุทธภาษิตก็เกิดความเข้าใจผู้มีปัญญาปานกลางต้องอธิบายขยายความหน่อยหนึ่งก็พอรู้ได้แต่คนปัญญาน้อยก็จะอาศัยอุปมาอุปไมยมากมายกายกองหมาก็ทําให้เกิดความเข้าใจได้นั่นก็เป็นความพิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยเห็นว่ามีคุณค่าก็นํามาอ่านสู่กันฟังเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง วันนี้ก็คงจะสมควรเก่บเวลา